ข้างพิษการมีพระพิสุทําผิดไหมก็ผิดไม่ผิดก็จนมันได้บัญญัติตั้งสองรอยี่สิบเจ็ดเรื่องเนี่ย <c oughs> ก็มีคนทําผิดทั้งนั้นถ้าไม่ทําไม่ทําผิดก็ไม่ได้บัญญัติเพราะปฐมการไม่ได้บัญญัติเชิดขบทเพราะไม่มีผู้ทําผิดไปก็สําเร็จเอาสําเร็จเอาสําเร็จเอาอย่างมากเขาพระโสดาวันโออย่างต่ำเขาพระโสดาวันมัดชิมการจึงไม่บัญญัติ เหมือนปฏิเิมอาการบัญญัติบริบวนแล้วจึงเข้าสู่พระนิพพานทำไมจึงบัญญัติศิคษาบทก็พระมีผู้ทําผิดถ้าไปบัญญัติก่อนคนบวชก็จะละอาความเริ่มใสไม่อยู่ระดับเดียวกันเริ่มใสรัฐที่อื่นๆศาสนาอื่นๆมันก็ดีเหมือนกันแต่ ว, ว่าดีน้อยหรือดีมากมันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนจะเลือกเอาศาสนาแต่ละศาสนาก็ดีอยู่ ก็ไม่ได้ประมาณแต่ว่าดีน้อยดีมากหรือไม่ดีเสียเลยก็แล้วแต่ท่านผู้ใดจะเห็นเองขอให้เป็นสิทธิของแต่ละท่านละคนแต่ถึงคราวมีผู้ถา ม, มพระบรมศาสดาตอบเพียงเลยถ้าไม่มีผู้ถามองค์ท่านก็ไม่ตอบในมหาปรินีพานสูตรมีผู้ประกาบเรียนท่านคือสุภะพระผู้บวชในวันนั้นเองทัดที่อื่นๆ ถ้าเขาไม่ประมาทยัญยะวิธีของเขาเขาจะสําเร็จสุภิจปณูอุญโยยายะบ้างหรือไม่พระเจ้าข่าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมสุภิจปนอุอุญโยญายะสามีกิก็มีในศาสนาพุทธเท่านั้นอันอื่นอย่ามาเอ่ยเลยบํารุง ธ, ธรรมศาสนา ตัวของเขาก็เป็นพุทธชนคนหนาเราดีๆนี่เองจะได้สุภจรปโนชุยายะสามีจิมาจากประตูใดละ่ะตบุโรมศาสาศาถ้ามีผู้ไปถามท่านก็ตอบตอบตามเป็นจริงไม่ลําเอียงสิงไหนที่มันดีขนาดไหนก็ต้องรู้จักหมดพระพุทธศาสนาดีขนาดนั้นดีขนาดนี้ก็ต้องรู้จักหมดชั่วขนาดนั้นชั่วขนาดนี้ก็รู้จักหมดจึงเป็นผู้ แตกฉานในอดในธรรมทางมพุทธศาสนาดีขนาดโลกีก็รู้จักดีขนาดโลกุตระก็มีหลายชั้นชั้นพระสวสดิ์ปฏิมาสวัสดิ์ปฏิผลสักคาใครมักสักคาใคผลอนาใครมักอนาใครผล อ, าาอาาผลรหัตต์มักอหรหัตต์ผลพระปฏิเ ก, กพระสมาพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดดีขนาดไหนอืท่านสอนได้หมดไม่ใช่จะไปสอนดีให้เสมอกันหมดแผ่นดินสูงต่ำรุ่มดอนขนาดไหนก็ต้องรู้จักหมด ผูเขาให้มาอะไรสูงขนาดไหนชาวโลกก็ต้องรู้จักหมดหน้ามหาสมุทรลึกขนาดไหนชาวโลกก็ต้องรู้จักหมดผู้เขาเดินเรือเขาก็รู้จักว่าน้ามื้นน้าลึกขนาดไหนเดินเรือถ้าอย่างนั้นก็ไปชนหินตายบางคราวพระอานนุ์กล่าวว่าธําสอนของพระบรมศาสน า, ศาพุทธจาสมาบาทนี่เป็นของไม่เลือกดอก ตื้นว่าพระบรมศาตราบอกว่าเธอจะไปพูดอย่างนั้นมันก็ตื้นเฉพาะผู้เข้าใจมันก็ลึกเฉพาะผู้ไม่เข้าใจยกภาษา h o รเช่นแม่น้ำมหาสมุทรอย่างนี้ปลามิตรมิงปลาติมิขับมิงหรือปลาอานนนตัวโตโ ต, ต<ๆ>เขาก็บอกว่าไม่พอแหวกว่า พอน่าตื่นแปลงหูแปลงหางก็ไม่สะดวกส่วนปลาตัวเล็กๆมันก็บอกว่าน้ำลึกเล็กเกินล้นกว่าจะขึ้นหายใจก็เกือบจะไม่ไหวเสียแลว้วส่วนนกนี่นกครุดเราลงอย่างมหาสมุทรเพียงเขานี่เองแต่น ก, กนอื่นๆลงอย่างไม่ได้มันก็ลึกเฉะพาะผู้มีปัญญาน้อย มันก็ตื้นเฉพาะผู้มีปัญญามากผู้แก่ข้าสร้างมามีแก่กล้ามาแล้วก็ถือว่าตื้นผู้ยังอ่อนอยู่ก็ถือว่าลึกเหมือนคนกําลังเรียนหนังสือตัวกอสระคอสระอาขาเขาก็บอกว่ายังหนาแน่นอยู่ยังไม่สามารถอ่านสระและตัวสะกดกระรนได้ยังปริญญาตีโท อ, อ, อีกต่อไปอีกอัะโผแต่ส่วนผู้ที่เรียนผ่านมาแล้วขึ้น ปัญญาตีปรัญญาโทรเนี่ยก็บอกว่าไม่ลึกเท่าไหรผู้มีกําลังหนักก็แบกของได้หนักผู้มีกําลังน้อยก็แบกของได้น้อยจะลึกเพียงไห น, นก็ลึกลงที่ใจจะตื้นเพียงไหนก็ตื้นขึ้นที่ใจคาาําสอนรรพระพุทธศาสนาถ้ารู้เท่าใจหมดทุกประการปฏิบัติเข้าใจหมดทุกประการรุดพ้นเท่าใจหมดทุกประการพระพุทธศาสนาก็จบแล้ว ความหลงในใจมีเท่าไรพระพุทธก็รู้ตามเป็นจริงอันนั้นหลุดพ้นตามเป็นจริงอันนั้นพระพุทธศาสนาก็จบเพียงนั้นความหลงของใจความฉลาดของใจอันมีสติสัพพัญญะจะมาชะนะกันอยู่ที่เมืองใจเป็ น, นตอนๆไปถ้าชะนะความหลงหมดถ้าสติปัญญาของใจชะนะความหลงของเจ้ตัวหมดก็ข้ามทะเลหลงไปแล้ว ชนะก็ชนะอยู่ที่เมืองไทยแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไทยไม่ชนะอยู่ที่อื่นชนะที่อื่นไม่มีทางพุทธศาสนาะแพ้ในทางอื่นไม่มีทางพุทธศาสนาะแต่ชาวโลกอามายใช่กันแต่ก็มันเวนสนองเปยนพยายสนองภัยกันอยู่นั่นเองเพราะใช่ไม่ถูกเพราะไม่รู้จักความหมายของพุทธศาสนาะก็ไปหาชนะหรือแพ้ทางภายนอกแล้วชนะตนเองไม่ฆ่าไม่แกงของท่านผู้ใดไม่เบียดเบียนท่านผู้ใด มันก็ชนะผู้อื่นอยู่ในตัวในทางที่มันมีเวรในภยัยคนอื่นก็มาในลำบากกับเราด้วย mm hmm. ก็เรียกว่าชนะตนเองกับชนะผู้อื่นไปในตัวตอนไหนเราสร้างเวรสร้างภายัยเราก็ไม่ชนะตนเองและก็ไม่ชนะผู้อื่นอผู้อื่นก็จะได้มาเป็นเวรเป็นภัยกับเราเราก็จะได้เป็นเวรเป็นเว น, เ น, เนภัยกับท่านนะแล้วทำประโยชน์ตนก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นอยู่ในตัวเรื่องวิชาหอน ถ้าเราไม่ไปฆ่าผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่ได้ตายด้วยเรานั่นเราก็ไม่ได้เป็นเวรเป็นภัยกับท่านผู้อื่นนั่นก็ทําประโยชน์ตนและผู้อื่นเหมือนกันถ้าเราไม่ไปรักของผู้อื่นเราก็ไม่มีเวรไม่ภัยกับเพื่อนผู้อื่นท่านผู้อื่นก็ไม่ได้ระแยงเราอีกด้วยไม่ได้เสียด้วยเราอีกด้วยมันก็ทําประโยชน์ตนและผู้อื่นอยู่ในตัวแล้วนะเราไม่จองเวรกับท่านผู้อื่นท่านผู้อื่นก็ไม่ได้จองเวรกับเราอีกด้วยนั่นนั่นะพูดไปไหนก็มาหาผู้พูดผู้พูด ไม่ได้ไ SI ปหาคนอื่นพูดเรื่องบาปก็มาหาผู้พูดมาหาผู้ฟังถ้าผู้ฟังและผู้พูดมีบาปอยู่พูดเรื่องบุญก็มาหาผู้พูดและผู้ฟังถ้าผู้ฟังไม่บุญหรือไม่มีบุญก็นี่พูดเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสก็มาหาผู้พูดและมาหาผู้ฟังถ้ามีอยู่ถ้าไม่มีอยู่ก็ไม่ถูกถ้ามีอยู่เป็นหน้าที่จะปฏิบัติแท่า้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟังและผู้เทศจะปฏิบัติเหมือนกันนั่น โอ้กน่าจะโก้รอบขามาใส่ใจพ้นมากก็มากออกมาจากใจทหารก็หารลงมาหาใจเรียกอ่โวโหหารโหหารก็หารลงมาถึงใจโวโหหอนก็คือหอนออกไปจากใจใช่ไหมถ้าหอนไปทางดีก็ดีถ้าหอนไปทางชั่วก็ผิดก็ผิดอยู่ที่ใจหารก็เหมือนกันทหารลงมาทางดีก็ดีถาหารลงมาทางชั่วก็ไม่ดี ถ้าหารความชั่วลงมาเป็นหนึ่งความชั่อก็มารวมกันเป็นหนึ่งถาหารความดีลงมาเป็นหนึ่งความดีก็ลงมาเป็นหนึ่งถ้าขยายความชั่วออกไปความชั่วก็ขยายออกไปอีกถ้าขยายความดีออกไปความดีก็ขยายออกไปอี ก, ก flawless. เห ม, ม, มือนกันก็มีแต่ดีกับชั่อขัดกันอยู่ก็มีแต่เมื่อกับสว่างขัดกันอยู่ไม่มีทางแพ้ทางชนะเลยส่วนพระทหารนั้นพ้นจากดีจากชั่วไปแล้วไม่มีชั่วมาแข่งไม่มีดีมาแข่งพระดีพอแล้ว ชื่อก็ไม่สามารถจะไปแข่งเพราะชื่วก็หาไปหมดแล้วคารุกรรมทางวัธถุศาสตรแบ่งเป็นสองคารุกรรมทางฝ่ายกุศลก็ไปเต็มที่พระอนาคามีคารุกรรมทางบาปก็ไปเต็มมหาวิจีนรกกับโระกันตนรกคารุกรรมทางกุศลไปเต็มกันที่พระอนาคามีคารุกรรมทางบาปไปเต็มอยู่ อนันตรียกรำห้าหรืออนันตเรียกรำหกอันนี้อนันตรียกรำหกคืออะไรอันนีัตเ์้าเทศเสือศาสต ร, ร, อสตราอื่นก็จัดเข้าอีกเหมือนกันพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดและผู้ฟังในทางดีทางขั่วก็เหมือนกันทีนี้ท่านขอย้อลงมาอกีกเนี่ยงทําจิตให้บันเทิง ในการละชั er the <the ่วทำดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดี ตามสติกำลังของตอนเป็นคำของใครจะเอามาพบของโลกได้ก็คำสอนพระพุทธเจ้าเท่านนั้นสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วท่านพู้อื่นอย่าเอามาแข่งดีเลยก็ได้เขาให้ยอมซะออถ้าไปแข่งดีกับพระบรมสารีราก็เท่ากับว่า นิชาทานอื่องอ่างไปแข็งรีกระพัวพองตัวขึ้นเท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมกระท้องแตกตายคาที่ใช่ไหมเรื่องว่าเท่านี้ได้ไหมถ้าพวกเรามีกิเลกก็ยอมว่ามีกิเลกก็ต้องเทิดทูนพระพุทธธรรมพระสงค์ยางดีกว่าที่เราจะไปทำตัวให้เสมอท่านหรือยิ่งไปกว่า เอาปจายไงนะไม่มุนทำเนียร์ด้วยการประพฤติถอมตนแก่ผู้ใหญ่เราประพฤติถอมตนแก่ประพุทิประธรรมประสงค์ยังดีกว่าประพฤติถอมตนจากผีคําว่าผีแล้วก็ตัวผอสาเลีมันอยู่ที่ไหนถ้าผีอยู่ในเรามีเราไม่ถือผีมันก็ไม่มีผีผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทํำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นสโสต <c oughs> พระพุทธศาสนาไล่ผีออก ไล้ผีโรคผีโกรธผีหลงออกจากตนเองไม่ใช่เอาผีเป็นสารนังคัตฉามิผีโรคผีโกรธผีหลงถ้ามีอยู่ในกันทะสันดาลของเราก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ยอมจำนนเนียกว่าอ ป, ปาอ ป, ปาจายทำไมาบุญสําเร็จด้วยการถ่อมตนแก่พระพุะทธธรรมประสงค์เวี ย, ยวัจจะไม่บุญสําเร็ดด้วยการช่วยคนข่อยในจิตที่ชอบกิตที่ชอบคืออะไรคือละชั่วทํามีเรียกว่าจิตที่ชอบ ปฏิทานวาิมุนสมเร็จราชการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศ ต, ต่อฟองโลกทั้งสิ้นหรือสอนให้รู้จักชั่วทำดีก็เรียกว่าให้ส่วนบุญปัตตานโมธนวัยมณฑเราชการอนุโมทนาส่วนบุญท่านผูใ้ใดทําถูกก็อนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนาส่วนบุญธรรมมัชสวัสดิ์ไม่บนสมเด็จราชการฟังธรรมการฟังธรรมไม่ประโยชน์หอย่าง ผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้ในตอนนั้นสี่คิตผู้ฟังห้าทำความเห็นให้ถูกต้องในตอนนั้นสี่ทำความเห็นให้ถูกต้องสี่คิต <cep Went. S 2> ผู้ฟังย่อมฟองอ๋อไม่หนึ่งผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสรบรรเทาความสงส์หนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสารบรรเทาความสงสัยเสียได้ที่ทําความเห็นให้ถูกต้องตามสติกําลังของตนห้าจิตผู้ฟังก็ย่อมผ่องายในตอนนั้นนั่สมรรมเทศนาไวมันแสดงการสแสดงธรรมสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติ ผู้ให้ทําเป็นทานชนะทานทางปวงองค์แหงธรรมกถึกคือนักเทศท่าอย่างแสดงทำไปโดยลําดับไม่ตัดดัดกให้ขาดความอ้างทานศีลภาวนาสองอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจสามตัง้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสีไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภห้าไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น ภิกษุผู้เป็นธรรม ก, ก็ถึกต้องตั้งองค์ห้าอย่างนี้อยในตนสิทิิสุชุ ก, กรรมการทําความเห็นให้ตรงคือทํำยังไงอันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งการทําความเห็นให้ตรงคือเห็นว่าบาปมีบุญมีมรรคผลในภานมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีเห็นชอบตามทํานองครองทำไม่บิดเบือนเขาเรียกว่าทิทธุชุ ก, กรรมก็เป็นบุญกองหนึ่งเหมือนกัน บุญกิริยาวัตถุสิบกิริยาที่ทํำมีสิบอย่างยศลงมาก็มีส า, ามทานะไมมันรลุสเร็จด้วยการบริจาคทานศีนะไมมันรลุสเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บรรลุสเร็จด้วยการภาวนาภาวนาไม่เป็นบุญอันกว้างขวางบุญกิริยาวัตถุสิบอยู่ในตกลงมาในภาวนาไม่รวมกันแล้วเสียมคิดจะมีกี่ล้านก็ชี้ไปทาง ท, างทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเทียบในทางลึกซึ่งใหยคำหนึ่งหลายทางนเ่าให้น้องคลองเบ่งบางต่างๆไล่ลงสู่มหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไร่ลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติ สวรสมบัติครมสมบัตินิปผานสมบัติเต็มบริบูรณ์แล้วไม่มีบกคร่องเลยเราจึงยืนยันว่าสัตยังสัพพยันฉนังเจวระปริพุนังปริสุทธิ์ทางพมจดยางประกาศเสศิบริบูรณ์ทั้งเบื้องต้นคือศีลเบื้อกลางคือสมาธิเบื้องใต้คือปัญญาหรือเบื้องต้นคือทานเบื้องกลางคือศีลเบื้องทใายคือภาวนาก็มีความหมายอันเดียวกัน หรือไตรศิกขาบริบูรณ์แล้วก็มีความหมายอันเดียวกันไม่มีลัทธิใดๆในโลกจะมาเทียบคำสอนพระพุทธศาสนาได้เลยขอแต่เราจะปฏิบัติได้เพียงไหนเท่านั้นก็เป็นเรื่องของเราเอสมโมสนั น, นโนเพราะพระธรรมเป็นของเก่าเพราะวินัยเป็นของเก่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้านพระองค์ก็าตามหรือสงข่ายสงไขยพระองค์ก็าตาม ก็มาสอนอันเดียวกันเป็นพรบอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างเลยพระบริบูรณ์พอแล้วยืนยันคําว่าทําเป็นโรครบาลสองอย่างคือครอบครองโรคมีสองอย่างนี่คือความละอายต่อบาปทุจริตโอตระประสนุ้งกลัวต่อบาปทุจริตถ้าทำสองประการมีในหัวใจมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ปกครองกันอยู่ได้ ถ้าไม่มีในหัวใจมนุษย์แล้วจะเอาอาวุธวัธตถุณลมาปกครองมันก็ไม่อยู่มีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยไม่มีความละอายต่อบาบไม่มีความกลัวต่อบาบแล้วกัดไม้กดมักดหมูกัดพักกัดพวกของชาวโลกก็จะตังไม่อยู่อู๋ของทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วไม่ได้ในที่แก้งก็ไม่ท้าก็ไปทำในที่รับถ้าไม่ละอายต่อบาบไม่กลัวต่วบาบแล้ว มันก็ไปล่วงรลเมิดสิ้นห้าอีกถ้าทาวชาวโลกทุกทา น, นามีชิ้นห้าบริบูรณ์เว้นไว้แต่ผู้บ้าไบเสียชีวิตผิดมนุษย์ซะยกเว้นอันนั้น ผู้ที่นอกจากนั้นนับแต่รูียงสาไปเจดปีแล้วถ้ามีชิ้นห้าบมเดล์บล์แล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีข้อตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีการรบราฆ่าฟันกันในชาวโลกก็ไม่ต้องมีก็สงบหมดขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอีกโรคเอสดก็ไม่ต้องมีการฆ่าการแกงกันก็ไม่มีการรักศกก็กันก็ไม่มีวิ่งราววิ่งไทยป้นป้นจี้ก็ไม่มี กาเอซเม็ดชาจานก็ไม่มีโรคเอทก็ไม่มีโรคหนองในก็ไม่มีสีมะม่วงก็ไม่มีพระเมีขอบเขตทีนี้คนเมาสุราโกหกพกรมก็ไม่มีกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งแต่เพียงกฎหมายมบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วที่ไม่มีความละอายต บ, าบ่าวความกลัวตบานนี้ ไม่ลดตำแหน่งกิเลสเลยกฎหมายก็ตั้งไมาอยู่ของชาวโลกจึงอนุมานอยู่ทุกหยอมญานั่นการที่ตั้งกฎหมายกัดหมู่กัดพักกัดพวกขึ้นกด็ดีการที่ประพฤติตนก็ดีไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกรรมเพราะกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่กรรมและผลของกรรมมนิยมชั้นวันลนะและชาติชั้นศาสนาใดๆ ท, ทั้งสิ้นใครทําดีก็ต้องได้ดีตอนนั้นใครทําชั่วก็ได้ชั่วตอนนั้น แต่ใครเป็นผู้บัญญัติดีชั่วบาปบุญคุณโทษถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยถูกไหมผู้ที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสินห้าผู้ไม่เสียดายอยากจะซื้อศาสนาอื่นผู้ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันผู้ไม่เสียดายอยากจะถือเลือกดีงาม น, นี้ผู้ไม่เสียดายจยากจะร่วงอบายามุก ผู้เสียดายอยากจะไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดผู้ไม่เสียดายอยากจะค่าขายสร้างอาหารค่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายละเมาค่าขายยาพิษไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ก็คือสูเปอร์เจันโนเรานี่เอง บันดิโตครามาวสังบันดิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือสุพธิปัโนโนเราดีๆนี่เองสุปจิปันโนก็คือพระสวัสดาวันเราดีๆนี่เองถ้าถึงสุปธิปันโนแล้วอุชุยายะสายมีกิก็เปิดประตูจิตประตูใจประตูสติประตูปัญญาไปาในตัวไม่สำคัญว่าจะถอยหลังและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งหน้าเดินตั้งหน้าสติตั้งหน้าปัญญาเดิน ไปสู่พระ涅槃เท่านั้นมนุษย์สมัติก็าบานหน้าสวรรค์สมัติก็าบานหน้าพรหมสมัติก็าบานหน้านิพพานสมัติก็าบานหน้าพัฒนาวัตถุน ย, ยมและอุดมคติไปในตัวแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ตรงกันข้ามเหตุนั้นพระบรมศาสตรายังทรงยืนยันว่าทัาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วเหตุฉะนั้นจึงลงมือ สร้างวารมีเพื่อผลือสัตว์ออกจากวัดตาสงสารด้วยพุท ธ, ธจริยาสามพุท ธ, ธ, ธะจริยาเพื่อเป็นประโยชน์พระพุทธเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มภูมิเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มภูมิแล้วยาตัถจริยาก็จะสงเคราะห์ญาติโลคตัทจริยาก็สงเคราะห์โลคแต่ก็สงเคราะห์เต็มภูมิทุกๆพระองค์แล้วจึงได้ข้ามทะเลหลงจึงได้เข้าสู่พระนพานไปซะคําสอนใดๆ ที่เราสั่งสอนของพวกชาวโลกนั่นเองอันนั้นจะเป็นศาสนราของท่านทั้งหลายในอนาคตตรง ก, กันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนเหมือนกันไม่ได้ลบล้างพอรอบกันเลยผู้จะมาในข้างหน้าก็อันเดียวกันถ้าชาวโลกตั้งกฎหมายกดหมูกดพักกดพวกไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเพราะกรรมและผลของกรรมม่อยู่ กรรมและผลของกรรมไม่นิยมชั้นวันนะใดๆเลยใครทำผิดก็ผิดใครทำถูกก็ถูกส่วนจะบัญญัติผิดถูกถูกถูกหรือไม่ถูกนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับพวกรัติตา่างส่วนรัติพระโุธศ า, า, าสนาพระสมานพระโคจฉเก้าไม่มีกิลเลสเลย บัญญัติอะไรก็ไม่เข้าข้างตูวว่าบาปก็ต้องเป็นบาปจริงบาปขนาดนั้นขนาดนี้นักขนาดนั้นขนาดนี้บุญขนาดนั้นขนาดนี้มรคนิพพานขนาดนั้นขนาดนี้มัญญัติไว้วัดบูรณ์วดสสดาบันสักคาคาเมนาคามีพระนันคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นโลภุตระทั้งนั้นไม่ใช่โลกีที่เอาโลกีมาผลเปก็คือเอารัฐที่อื่นมาผลเปพระพุทธศาสนาให้กับว่านั่งเตียงเดียว พ่อตากับลูกเขยนั่งเตียงเดียวกันอาจเอื้อมไม่ถูกเราอย่าสงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาเลยผู้ใดไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาผู้นั้นสักระศักกายะทิฏฐิวิกิกิจฉาแล้วไม่ถือตนถือตัวต่วตอคอําสอนพระพุทธศาสนาเรียกว่าศักกายทิฏฐิวิกิคิษชาไม่สงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาเลยศีลพระธรประมาทก็ไม่รู้คำเลย เม่อไม่เสียดายหลวงระเมิศสิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสนราอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากร่วงอบายามุกไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องปะหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ตเป็นเรื่สัตว์เทศก็ค้ า, าเป็นอาหารค้าขายนมว่าค้าขายยาพิษสิ่งไหนไม่เสียดายหรวงระเมิดสิ่งนั้นกอไม่หนักใจทําไมจึงไม่เสียดายหลวงระเมิดเพราะมีดวงตาเห็นว่ามันเป็นทางบานหน้าทางชิบหาย จึงไม่เสียดายเร่วงละเมิดเช่นไม่เสียดายลงลุยรุนทานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเมื่อเสียดายอยากจะเอาน้ารลายคืนมาอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจพระเห็นว่ามันมีไม่มีประโยชน์มีแต่โทษรวนรวนเมื่อเป็นอย่างนี้ความดีคนดีก็ทำได้ง่ายความดีความชั่วความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนดีทำได้ยาก ความเชื่อคนชื่อทํายง่า ย, ายมันตรงกันข้ามวิธีระครับอธัธยกรองค์สมเด็จพระบรมมาสด า, าของเราเนะี่ยทรงตั้งไว้หมดแล้วอิธีการะสมะัยตยิเจ็ดอย่างวิธีระครับอธัธยกรก็บอกแล้วที่อยากจะทราบว่าอาธัธยกรณ์แบบหนึ่งระงับสมร t h แบบหนึ่งก็ไม่ถูกแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเทระสมาคมนี่มีปัญหาสอนเข้ามาว่า การจะตรวจเลือดมันไม่มีในาทางพระพุทธศาสนาของเรามันจะใช้ได้หรืออันนี้อยากจะถามมเ น, นียพราะพุทธศาสนาของเราไม่ได้บัญญัติมันจะใช้ได้หรืออยากจะถามเนี่ยยั ง, งสงสัยอยู่เพราเราไม่ได้เรียนมากวิธีตรวจเลือดเพื่อหาสมมติฐานแห่งแมทุนธรรมทั้งค่ายที่อ่าพาราชิกเนี่ยมันมีนัยหมในครั้า ง, งพุทธการ ถ้าไม่มีในพระสั่งพุทธการเราจะเอามาทำกันมันจะถูกไหมอันนี้น่าสงสัยน่ า, น, าน่าสงสัยอยู่ตอนนี้แล้วสงสัยอีกตอนหนึ่งวิธีนะงับอัธิกร์ต้องเห็นเห็นในนักธรรมเอกก็มีแต่เพียงว่าอัธิกร์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่รีบระงรับเสียจะทำให้เกิดนานาสังหวัดนานาในปลายแต่ว่าพุทธบริษัทไม่รีบระงรับเสียไมไ่เห็นว่าทนนี้ ที่ไม่มีพุทธบริษัทเข้ามายุ่งเหยิงด้วยเน่ยมันถูกไหมพุทธบริษัทจะยุ่งเหยิงได้ก็พระตัดสินเป็นปาราชิกแล้วหรือสังฆาหรือปาราชิกส่วนนักการเสตเศษไม่มีอิสระที่จะทําโทษคารวาสจะทําโทษได้ก็แต่เพียงปาราชิกหรื อ, อยังไงเขาบัญญัติกันยังไงไม่ทราบกฎหมายเขาที่นี่เมื่อกฎหมายเขาบังคับบัญญัติทัธภวินัยของเรามันจะใช่ได้ไหม ที่นี่มีปัญหาถามพวกปอทอแปดปอทอเก้าปอทอเก้าก็มีมั้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีคาราวาสที่นี่ราชขาไปแล้วเรียนจนถึงปอทอเก้าจะตั้งกฎมาค่มเห็นเสราสมาคมได้ไหมส่วนตัปสินเป็นป ร, ราชิกสังฆาธิเศษเป็นหน้าที่ของโยมหรือเป็นหน้าที่ของพระอยา ก, ก็ถามตอนนี้เพราะผมมาใ้เรียน ตอปไอ้ที่ก่นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่ได้ประนับเสียจะทําให้เกิดนานาชังมาดนานานี่กปเมื่อใดพูดว่าพุทธบริษัทไม่รด้ประนับเสียใช่ไหมนักไอ้ที่ก่อนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่ได้ประับเสียจะทําให้เกิดนานาชังมาดนานานี่กะเมื่อใดพูดว่าพุทธบริษัทไม่รด้ประนับเสียใช่ไหม นั่นนั่นพุทธบริษัทจะมาเข้านั่งหัตถบาทชำระกับประชุมสงฆ์ได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็สวดปฏิโมกข์ให้ฆรวาดเข้ามาฟังด้วยสิอันนี้จะเป็นสังฆการรมใช่ไหมเนี่ยนั่นนั่นนั่นนัทำไมโยมยุ่งเหยิงมากน่าเบื่อแล้วเกินมันเป็นหน้าที่ของพระทำไมชาวโลกหัวกันมากข้ามหัวข้ามหางเทราสมาคมเบื่อแล้วเกินถูกไหมหรือไม่ถูก นักกฎหมายทั้งนั้นอืมนักที่ออกเสียงอยู่นั้นมีชิ้นห้าหรือไม่นี่นี่นี่นี่นี่เนี่ยถึงเจ็ดประโยคแล้วกอดคอมีออกแล้วมาเถียงพระเนี่ยเราก็ไม่ยอมนะถูกไหมพูดง่ายอธิบายพูดรัดก็กระสุนเขาเข้าค้องใช่ไหมตอบทําไมไม่ตอบหรือปัญหาไม่ควรตอบผมสนใจมากในเรื่องนี่ ผมมปนนักมากอารมณ์ผมก็สนใจมากในเรื่องนี้ครับประเด็นเก้าประโยคนี้แต่เฉพาะผู้ลาภศกขษะไปหรือผู้ยังไม่มีอยู่เพื่ออยู่ในพระพุทธศาสนายังไม่มีหรือาดแต่ผู้ลาภศกขษะไปแล้วนะหรือทําไมต้องพูดมากแค่ทําไมถึงไม่มอบความเป็นใหญให้คณะสงฆ์นี่นะผมที่นี่พระพุทธศาสนะสนอนโยมว่าอยางไร ด้วยกายกันคือทำอะไรไประกอบด้วยเมื้อตาด้วยใจกรรมคือพูดอะไรไประกอบด้วยเนื้อตาด้วยปโนการคือคิดอะไรไประกอบด้วยเนื้อตาด้วยความเป็นผู้มีจิตผีประตูจะทำอะไรเพรามวันเลื่องดหานิสฐานทาไมจึงไม่นึกถึงคําข้ามว่าทาไมจึงหอบเพ่งโทษใส่สงฆ์เกินไปทำไมจึงไม่มอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์นี่น่าเบื่อละเกินในทรไใจพี่หลอกสเส็นผมคนขี้โง่พบ ม, มันได้เขียนไว้ขเปี่ยนมุธกัน ท่านเขียนไว้ในดวงประทิพผมขี้โง่ผมมันในจดเขียนไว้ท่านบอกบอกตำราที่มาท่านก็บอกที่อยู่บอกในพระไจเปรตหน้าเท่านั้นหน้าเท่านี้เริ่มเท่านั้นเริ่มเท่านี้ท่านบอกไว้แล้วข้อสำคัญมีอยู่ว่าเมื่อยรัติกาลสองจำพวกจําพวกหนึ่งทําตัวเป็นนายพระนายเนรจาพวกหนึ่งทําตัวเป็นลูกศิษพระศิษเนรจาพวกที่ทําตัวเป็นนายพระนายนนั้นจะไปนรก จำพวกที่ทำตัวเป็นลูกศิษย์พระศิษย์เนรนั้นจะไปสวรรค์ผมเห็นในปินมุุกันหนังสือดวงประทีบในระหว่างสองพัน้าร้อยแต่ผมไม่ได้เขียนไว้ผมมันโง่จริง จ, งจงีเมื่อถึงข่าวอย่างนี้ผมนึกว่าจะเอาออกมาป ร, รบมันอ้างเึ่มาไม่ได้แต่ในพระใจพิดกของเรามีไม่รั้เล่มไหนคงในพระสูตรตัณฑิดกหรือในพระมในปิดกก็ลืมไปซะแกก็เ ข, เขียน อ, อกอ้างไว้เหมือนกัน นั้นมาในเล่มนั่นเร่มนี้เราผมนึกผมเชื่อเกินไปนะขอมผมก็เลยไม่ได้เขียนอะไนี่ไม่ได้เขียนอะไทีนี้ถ้าหากว่านิตทีนะครับอุทกรของพระญาติโยมทำตัวฉลาดกว่าพระเทเสราสมาคมแล้วมันจะถูกไหมนะไม่ถูกผมว่าไม่สมฐานะของตนต้องคอยฟังเทราสมาคม จะเขี้ยวเข็นเย็นข้าให้ท่านพุดคอมันก็ไม่ถูกถูกไหมเพราะอธิการหน้าพิจารณาองค์สมเด็จที่เป็นประมุขของพวกเราท่านหนักไม่เมตตาท่านก็พิจารณาไรเดียมเป็นมันเป็นหน้าที่ของสงฆ์ น, นี่ถ้าสงฆ์ไม่ดีมันงับเสียอะไรเงี้ยถ้าพุทธบริษัทไม่ดีมังนงับเสียไม่ได้ว่าจ้ะอันนี้พระมหาสมณะเจ้าท่านแต่งมาในวิชานักธรรมอกีกถูกไหม เพวิธีเข้าพิจารณาในตัดสินคดีที่นี่เยพยัคฆ์กาข้างพุทธการถ้าจะตัดสินเอาตามคำขนมากเป็นประมาณถ้าไม่ถูกก็ปปลกมาเพราะศึกษาไม่ใช่อวดดีอันนี้เยพยัคฆ์กาข้างพุทธการถ้าจะตัดสินตามเยพยัคฆ์กาที่มันก็ตัดสินไม่ไนดะ้อย่างเหมือนกันเยพยัคฆ์กาเธอจะเรียนจบพระไตรปิกกก็าตาม ถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงใช่หรือไม่นั่นนั่นมันมันไม่เหมือนคาราวาสคาราวาสมึงไม่มาออกเสียงให้กูกูเอาตังค์ให้มึงใช่ไหมนั่นถูกไหมแต่พระก็ยังมาให้เข้าในที่ประชุมถ้าความประพฤติไม่ดีค้าพุทธการความประพฤติของของเธอไม่ดีไม่ให้เข้ามาในที่ประชุมไม่ให้เข้ามาให้ออกเสียงเยนี่ยพฤติการมธ่น่าเบื่อ ถ้าพระทำผิดบ้างเลยเสียงญาติยอมเ่ยไม่หยุดไม่ยั่งเลยดูจะไม่กินอาหารเนี่ยมันน่าเบื่อละเกินแต่ถ้าคารวะต่อคารวะแล้วแบบห้าปีก็ไม่ผิดเป็นมวยร่มก็มีน่าเบื่อละเกินถูกไหมถ้าเป็นพระอะเอาละเด็กๆเล็กๆ ร, ร, รู้จักพทวีงไง ห, หมดหน่าเบื่อละเกินใครจะทําให้ศาสตร์ชนะเสียมไม่ได้หรอกถ้าทําศาสตร์ชนเสียมพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาก็ไม่สามารถจะรู้ทําได้เพราะทาเสียมไปหมดค ถูกไหมธรามาหาธรามาหาเนี่ยถูกไหมทำไมไม่พูดพูดสินี่ก็ามาหาห้าประโยคน์ด้วยหสามประโยคชค์รักธรรมเอกนี่ห้าใช่ไห ม, นไมน เ, เนี่ยนี่เกตนี่ะองเกตเน่ยทำไมไม่ตอบองเกตนี่ อ, องเกตเนี่อสัตว์ว่าเจตมหาธรรมนีาจะทำเกตน สหสัสวงวัดเจ็ดเอา้าตอบถูกไหมอธิบายมาให้ฟังด้วยวิธีนะครับอธิกรโยอมเป็นพยานได้อยู่แต่ว่าจะมาให้ตัดสินว่าปลาราชิาคและพระสงฆาที่เศษนั่นคงไม่เหมาะสมหรือจะจัดเป็นอนิยจอธิกรอันนี้จัดเป็นอนิจจได้ไหมไม่ได้หรือได้อธิกร น, นั้นเนี่ยรู้จักวิธีนะครับอธิกรรู้จักเหตุอธิกรที่เกิดขึ้น รู้จักวิธีนะครับรรอธิการอธิการควรระงับสมถะอันหนึง่งพรชนกงับสรมร tha อันหนึ่งก็ไม่ใช่ได้ก็ใช่ไม่ได้ของที่สองของที่สองสภาท่าสมมติแก่พระหันว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะพาใครโจทก์ท่านด้วยอาบัติยาสติวินัยพระทัพประมาณนบุตรอันนี้คงไม่ได้ใช่กันในสมัยทุกวนันนี้เพราะไม่สามารถจะตัดสินกันได้ว่าใครเป็นพระรหันน้ำเลยเป็นพระหันเป็นผู้มีสติไฟบูด ไม่เป็นฐานะของจําเลยที่จะทําการละเมิดกาากล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้ให้สติวินยัยแล้วยกฟ้องของโกรธเสียพระัพะมันระบุตรอันนี้ไม่เป็นแบบนั่ น, อ, น, นอันนี้อันนี้เราคงเอามาใช้ไม่ได้ในสมัยนี้เพราะเราไม่รู้จักว่าท่านผู้ใดเป็นพระรหันต์พระัพะมันระบุตรท่านอวดได้นับแต่เจ็ดปีไปข้าพระเจ้าไม่ามาได้ฝันในกามอารมณ์เลยนั่นกามารมณ์มาสาธธาปล่อยให้ระงับเพราะท่านมหากรองเข้าใจดี ถ้าผมไม่พูดพวกนี้ก็ไม่นึกถึงนักทําเอกก็กว่าเข้าใจดีทุกๆ ท, ท่านน่าเป็นห่วงอันนี้ยุ่งเหยิงแค่แค่สงสารพระเทระของพวกเราเขาพูดข้ามหัวข้ามหางอีพ่ออีแม่กูเอ๋ยแล้วก็เบื่อพอเขาลาชิขาไปเขาก็เป็นเจ้าเส้นเจ้าทำก่อพระอีกซะด้วยพูดข้ามหัวข้ามหางพระเออเทร ะ, ะสมาคมของเราประโยชนเก้าก็มีอยู่แล้ว พมไปแล้วองค์ประมุกก็เต็มภูมิแล้วพวกเราอย่าไปพูดกันขอให้ฟังสงไม่มีใครพูดเลยหนังสือพิมพ์ผีบ้านก็ทุกฉบับเลยน่าเบื่อเหลือเกินหนังสือพิมพ์ทำไมจึงไม่พูด่ะเราทั้งหลายอย่าไปยุ่งกันมอบให้เทรวะว่าทอบมอบให้เทระสมาคมซะไม่มีใครพูดเถียงกันสารพัดผมน่าเบื่อเหลือเกินสิ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะมอบให้เถระสมาคม เราพูดอย่างนี้เขาถ้าค่ายกขาว่าข้ามหัวเทระสมาคมพระสารพระจะไปเอาสารโลกมาตัดสินก็ บ, บ้าใหญ่เนี่ยเพราะโลกไม่ได้ตั้งกฎหมายตามพระวินัยของพระออถ้าชาวโลกตั้งกฎหมายตามพระวินัยของพระมันก็ไม่ยุ่งเหยิงมันปานนี้นขนาดนี้อภัยาายามุกกระเปิดทำไมทําไมจึงไม่ปิดถ้าชาวโลกจะทําให้พระพุทธศาสนาหรือชาวโลกจเจริญอาัายยามุกพุกประเภท มันเป็นมนุษย์ใบัตรสวรรค์ในบัตรพรหมในบัตรใช่ไหมนิพพานในบัตรใช่ไหมไม่มีสารกุศลนั่นทําไมจึงไม่ตั้งกฎหมายห้ามนั่นที่นี่เมื่อกฎหมายชาวโลกฟิลเกี่ยวพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมาตัดสินพระพุทธศาสนามันก็ไม่ถูกเออไม่บรรยากาที่เกี่ยวมันมอยากขึ้นไม่สอนสิบองค์สมบัติไวแล้วเนี่ยสมาชิกศึกษาอยู่ในศึกษาข่าบทตามทิพย์องค์สมบัติไว้จะหมุนไปตามชาวโลกมันก็หมุนไม่ถูกหมุนได้บางอย่างหมุนได้แต่ ที่เกี่ยวกับปาราชิกในเรื่องอธินาทานส่วนเมืุนธรรมนี่พระบรมศาสตาบรรยัติบริบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระบรมศาสตาบรรยัติบริบูรณ์แล้วไม่มีที่เพิ่มเข้าและตัดออกนนนเกอนี่ย ท, ทั้งสมภรณ์ชนางเกวะรักปุถพนังปุถุพุทธังควไม่เชื่อญาณกกาเสศีทําหฐานมุขวันตังปุถุพนังมีตารมฐามกขวันตังศีลสามารมนี้บริบรูรณ์แล้วจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบกโง่นัน่นนัน่นนั่นถ้าอย่างนั้นก็ไม่บริบูรณสิ ผมสนใจบ้าๆบอนักว่าอารมณ์วัตถิภัณฑ์วบูรณ์เนี่ยเหตุนั้นเราจึงเข้าสูพ่พระานทําไม่มในเรากล่าวไว้ได้แล้วนี่เองจะเป็นศาสนาสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นนั่นนั่นนั่นอนุนจะมากังวลอะไรครับเราเราไม่มีที่รับลีอ่อะไรเราก็สั่งสอนก็บอกว่าแล้วไม่มีอะไรรับรี่กับพุทธบริษัทเลยบริบูรณ์เนี่ยทั้งไตรสิขาถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าไตรสิขาไม่ได้ ครบแล้วทำใจรับวันระบาดก็ครอบใจที่ขานี่ยพ่อชงเจดก็ครอบใจที่ขามรแป8ก็ครอบใจที่ขาเบื้องต้นมาบัญญัติปารายที่สี่สังขารที่เสีที่สามก็ตามอนนี้ยัสองกับสามนิสกีปิทีสามสี่ปิีก็ท่สามกัสาแต่อทั้งชีโกมรโครเสยยชีดังสมาธิจนถึงสมาธิมันก็ครอบใจที่ขาแล้วอยู่ในตัวแต่ไม่ในบัญญัตบัญญัติเป็นข้อเฉยนั่นถูกไหมั้ามหาถูกไหพูดตอบ ทำไมนิ่งนี่กลัวนายเตี้ยจะเอาก <c oughs> ี้แพะมันไ่ปากนายเตี้ยมันเอาแหวผมน่ยผม ม, มุขคนฟูดมากนายเตี้ยมนันหมอบอยู่ต้นเสาแล้วมันยิงขี้แพะใสปากพวกท่นมาได้กินขี้แพะมันผมดอกถูกไหมพี่นาที่ท่ามาหาอย่าไปนิ่งอย่าไปนิ่งเข้าสมาธิไม่เขา้าสมาธิแล้วใช่ไหม บอกให้บอกให้ตอบทำไมไม่ตอบทำไมตอบสิเรื่องฉันเจชันขีนี่ก็ดีเบื่อมากก็พระบรมศาสนาก็ไปเอาเรื่องของพระเทวทัตมาพูดพูดกินแตกทำไมน่าเบื่อผมก็ดีถ้าอย่างนั้นมังสังสิบอย่างมีไว้ทำไมถ้าฉันพักแล้วก็แล้วไปนีอสุกราสุคราเจ้าคุณธรรมเจดีก็บอกว่าก็ก็สุ ก, ก, ก, กรอยู่แล้ว นี่มาดัดแปลงลว่ะเห็ดที่หมูชอบเอเห็ดอ่อนที่หมูชอบท่านเจ้าคุณธรรมเจรีท่านแต่ว่าก็แม้ว่าแต่เห็ดอ่อนที่หมูชอบเราก็ชอบเหมือนกันท่านพูดอย่างนั้นหมูมันชอบแต่ขี้กับลำที่นี่ท่านพูดแต่เข้าข้างตัวเจ้าคุณธรรมเจรีท่านไม่ยอมนังสะจุการอ่อนเขาในจนทักกรรมนันบุตรก็พูดเต็มปากอยู่แล้วสุขระสุขะสก่อนหรือสุก ร, ก ร, กรท่านพูดอย่างนั้น มั่ ส, สัตวกรออ่ร์ของนายคุณทะกษ์กุมารระบทบุตรช่างทองบอกตรงๆอยู่เนี่ยเมื่อก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากันว่าเจิงๆตีความหมายว่าพระพุทธศาสนาฉันผักไม่ฉันเนื้อฉันลาเลยเมื่อกล้าถูอว่าพุทธศาสนาไม่ถูกนั่นเลี้ยงไปอีกร้านเนี่ไม่ตอบอ๋อถือว่ารวเราควรหนาะศึกษาทําไมไม่พูด ทนี่หาผ้าห่มให้ให้องค์หลวงปู่แล้วรร ห, หรือยังเอาผ้าห่มไปก็น่าเก็บแล้เชือตากผ้าให้เอาไปสามเส่นแล้วยถ้ามันไม่มีให้ตาก็ตากตามลูกกงก็ได้ต้องการถามไม่ตอบเช็ดเลยลกลงเราเป็นบ้าคนเดียวถูกไหมถามไม่ตอบถามไม่ตอบรับตาเลย เ, ยเข้าสมาธิเข้ามสมาธิไม่ถูกการปรับอวัติเนะ ถามมาตอบถูกอยู่สมาธิเข้าที่ไหนก็ได้พ้ามีอิตระโลกิยะสมาธิทําไมจึงมีโลกีละยะสมาธิและโลกุตระสมาธิมาปนกันทําไมจึงไม่โลกีและโลกุตระมาปนกันท่านมาหาตอบยังให้ไปโยปปัญหาลักทรัพย์โผู่ขึ้นเียวนี้ทําไมจึงมีโลกุตระสมาธิแรก เราคุตระปัญญาไมจึงไม่รอเลียและรอคุตระมาผลเตกันยุ่งเหยิงมากคําว่าสชั้นที่ทโก้ไม้เอาขนาดไหนในพระพุทธศาสนาะปัญห า, าทักษมเอกผูกขึ้นเแลยวนี่ตอบท่านมหาคําว่าสัั้นที่โก้และประจตางไม้เอาขนาดไหนในพระพุทธศาสนาคําว่ามพรมคมจันทร์บางต้นไะม้เอาขนาดไหนในพระพุทธศาสนาตอบตอบตอบท่านมหา นิ่งผมเข้าใจว่าไม้เอาเพียงพระสวัสดิวันถ้าไม่ผิดถ้าไม่ถูกก็ให้อธิบายมาหรือสี่เกียจ ร, รำคาญคำว่ า, าปัจจัตตังของมม้เพียงพระสวสดาวันผู้ที่เขาไม่เยี่ยมใสเขาก็ไม่เยื่อมใสพระพุทธศาสนาะอยู่แต่จับเป็นสั์คิดที่โกหรือปัจจัตตังมันก็พุ่นเฟือเกินไปใช่หรือไม่เ<ม>พราะมาจันเรื่องต้นของพระพุทธศาสนาะ พระปรมาศาสสนาของเรายืนยันชุพเทปันโนท่านทัน้งหลายก็เข้าใจแล้น่หาพระนิพพานสูตรองค์สมเด็จพระปรมาศาสสนาปฏิเสธนัดที่อื่นไม่มีสุพเทปนโนชุยายะที่สุพทะประกาศทูลถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็เกรงใจผิดจะผิดนัดที่อื่นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็พระไตรปิฎกของเราเอาไปเผาไปที่หมดก็ ถูกไหมถ้าเราเกรงใจเขามากแต่เขาเอาหัวพระพุทธลูกของเราไปลองล่างเท่าเขาก็ไม่เกรงแต่พวกเราจะพูดตามจริงเท่านี้ก็จะเกรงใจเขาผมก็ไม่ยอมหมวงตังถูกไหม <c oughs> ของดีก็ว่าของดีของดีแตว่าของดีไม่ได้กลัวมันก็ไม่ถูกเพราะน้ำเอียงเพราะความรักให้กันฉันค า, าคติโทสากคติโมหาคติพยาคตินะ่ะน้ำเอียงเพราะกลัวยาพยาคติ ถ้เก่งเขาจะเอาทางเมื่อยมาใส่นับเอยียงพักเข่าโมโมเพื่อโ ม, โมโหาคติก็พอครบคดีอันนั้นไม่แตกใช่ไหมนราจเอียงพักความไม่ชอบกันโทสาคติพลังเกียรติมันมันจะพูดดีมันจะดีสักเพียงไหนก็ไม่ให้คะแนนมันก็เหมือนพระสมมานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นศาสนาโลกโลกอกโลกแท้ๆก็มาให้เกียรตินะถูกไหมนั่นศาสนาใดๆเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธอยู่ในตัวแล้ว สัตว์แต่ละตัวละตัวมันจะเข้าสู่พระนพ涅นมันก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนถ้ามันไม่มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนจะได้ถึงพระโสดาบันจงหาบเอาผมพูดอย่างนี้แหละใครจะระเกียร์โภคาธรรมถ้าไม่ถึงพระโสดาบันไม่มาเลื่อมใสศาสนาพุทธของเราเสียก่อนอย่าหาเลยพระโสดาบันเสด็อราราดบุอุตกกาดาบุตรามาบุตรก็เพราะไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาภาวนาจนถึง มีมาสัญญาณาสัญญาจตนะแล้วก็ไม่สามารถถึงพระโสดาบันเพราะไม่เห็นอันนี้จังชักเพราะไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาของเราถ้าอย่างนั้นอันยัตสตุเทศถือศาสตาอื่นเป็นอ น, นันต์กิจกรรมหกไม่ไว้ทําไมถ้าจาพิษานานอนาันี้พระโภคาตุงนี่ดำปีตั้งเทและกันนวันีตังเอจีนัชเจนสุตหัวตร น, นี่ภูมิเขาพระโสดาบันไม่ไม่มีอภิฐานโทษอย่างหนักกบมาตุฆาพิโตฆาทะฆาตราล่งให้สวัสดิ์ สังฆเพศคนก็ไม่รู้สังฆเพศมหาวิกายก็ทําสังฆเพศธรรมยุทไม่ได้ธรรมยุตก็ทําสังฆเพศมหานิกายไม่ได้นานาสังวาทําสังฆเพศกันไม่ได้ทีนี่เขาดุลบุตเทศลบุูรเทศลงไปครูเกศพงานลบุตเทศก็ตอบเขาจังๆเหมือนกันทำไมกเกศออกมาจากมหาวิการํานไนจึงไม่รักษาหมวย กระพุกน้องปู่เทียนเขาก็พาท่านผมลองไปอยู่ไปอยู่ทั้งไปกับน้องปู่เทศยนตอนนักเรียนผมไปนั่งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดียเขาก็ห่มผมมาเลยสมัยนั้นอายุสี่สิบท่านในจารท่านจารเขานักเรียน่ะผมนั่งอยู่คนเดียวผมไปมหาวิกทยาลัยธรรมยศรับธรรมยศอะไรเมันดีท่านในาร ผมก็ตอบว่าพระบรมมหาร า, าพระบรมศา ส, สดามาเนียมว่ามาหานิการที่สมยุทธท่านยืนยันว่าชุติโกโนทุกยญาตสามีเท่านั้นก็ตอบอย่างนี้ยืนยันเป็นเท็จว่าของท่านไมันดยืนยันว่ามาหานิการที่สมยุทหรือสายนั้นสายนี้เราก็พูดอย่างนี้เออพูดอย่างนี้เขาไม่เข้าข้างตัวบางท่านพูกเข้าข้างตัวหน้าเขกและเกินเ <c oughs> <c oughs> ขาพูดผมผ ม, ผมก็พูดตามเป็นจริงอย่างนั้นน่ะ เพราะเรามาสาักศาสตราไม่ยืนยันมหานิการด้วยสมยุตธยืนยันแต่ว่าสุภจรปโนอุจุยรยศสามีนับทั้งพูกอยู่ในมรดุด้วยเนี่ยสาวพระตัวสาวพังโค่นี้นะสาวพระของพู่มมีภาคเจ้ายืนยันแต่เพียงเท่านั้นไม่ได้ยืนยันว่ามหานิการด้วยสมยุธยยยยาามทธเป็นสาวของท่านแล้วก็พูดทางนี้ okay. เขาจะหาเรื่องเอากระปั้นไข่ผมผมคนเดียวแต่ <laughs> ว, ว่าผมเรียกหนีซะผมก็ผูกผมก็ชัดอย่างนั้นจริงๆ <laughs> <laughs> พระสินไปเล่นกับภรรยาเก่ามันดีสําหรับเธอ มันไม่ดีสําหรับนักบวชนะเธอเธอดีสําหรับเธอทำมาในที่เราสั่งสอนเธอแล้วเธอกับเอาไว้บวกให้เป็นโลภ เ, เป็นโกรธเป็นหลงมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักบาช ด, ดุอยู่อย่างนั้นทําไมจึงดุมันร่วงไปแล้วก็แล้ ว, ไ ป, ลวไปซักทาไมยังไปดูอีกดุเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในอนาคตส่วนอันนั้มันเสียไปแล้วคนทั้งหลายก็กล่าวตูพว่พระอรมาสนาว่าพระอรมศาสนา เป็นโลคไม่โรคไม่กลัวไม่หลงแล้วทําไมจึงไปด่า พ, า พ, า พ, าพระสุตินพระสุตพระสุตินมากทําไปทําไมจึงไปด่าพระวักกะริสมากท<ม>ีนี้นักเรียนดีเขาก็ตอบว่าท่านกินขนุนท่านโกรธให้เปลือกมันไหมท่านไปเอ า, เ อ, า, เ อ, าออกทิ้งท่านกินกล้วยท่านคว้างเปลือกของมันทิ้งท่านท่านไม่กินด้วยท่านโกรธให้เปลือกมันหรือไม่ได้โกรธเพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์อันนั้นก็เหมือนกัน มันดีสําหรับเธอแต่มันไม่ดีสําหรับนักปราชญแม่งแม่งวันก็ดีสําหรับแม่งวันแต่มันไม่ดีสําหรับแมลงพึ่งใช่ไหมนั่นเหตุนั้นพระบรมศาลาจงยืนยันว่าธรรมัตาเป็นผู้รู้จักเหตุฉันรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกขันญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้พระบรมศาลา บุคคลผู้ใดเมื่อกิเลสยังไม่พ้นจากยังไม่พ้นจากกิเลสของตนจะสำคนคันว่าตนฉลาดคนความเห็นฉลชนัดนั่นก็ไม่เป็นที่พึ่งของเขาได้อย่างเต็มที่พระบรมศาสลาจะฉลาดสักเพียงใดก็าตามถ้ายังมีโรคมีโกดไม่หลงอยู่ถ้าสําคัญตัวเป็นคนฉลาดคนนั่นก็งโง่จังรา้านเท่ า, าพระบรมศาลาพูดเก็บยบไหถ้ากิเลสไม่มีการปฏิบัติเพื่อบรรเทา ได้เหือแห้งหายไปก็ไม่มีถ้ากิเลสมีอยู่ก็ปฏิเสธไม่ได้ร่างกายของเราเหมือนกันถ้ามันสกรปรกอยู่ก็ปฏิเสธอ่านหน้าไม่ได้ความประพฤติของเราถ้ามันบกพร่องอยู่ก็ปฏิเสธในทางประพฤติให้เป็นคนดีไม่ได้ถ้าดีพอแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้ายังไม่ดีพอจะปฏิเสธว่าเราดีแล้วอย่างนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าพิเศ ษ, ษก็เป็นการโกหกพกลมตนเองความเห็นเช่นนั้นเป็นเครื่องอวบอุ่นของเราได้หรือแล้วแล้วหรืออย่างมันก็ยังไม่ได้คนเราอยู่ในระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นพระอรหันต์ก็ยืนยันอยู่ระดับของท่านไม่เป็นอัจวาิทุกปรทางท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงแม้ผู้อื่นจะให้คะแนนท่านว่าโรคโกรธหลงสักเพียงไหนก็ตามท่านก็ ย, นยื น, น, ยนยันอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านจะเสียงออกหรือไม่เสียงออกก็ตาม สิ่งที่ควรยืนยันก็ยืนยันสิ่งนั่นไม่เป็นอุปทานถ้าอย่างนั้นบัญญัติบาปก็ไม่ได้บัญญัติบุญก็ไม่ได้เพราะยืนยันในบาปเพราะยืนยันในบุญเพราะยืนยันในมะขุนในพานไม่ได้สิ่งนี้เป็นจริงอยู่อย่างไรสิ่งนั้นก็ต้องยืนยันได้พระธรรมทั้งหลายยืนยันเองจริงทางผิดก็ยืนยันทางผิดจริงทางถูกก็ยืนยันทางถูกคําว่าอริยสัจจะก็จริงทั้งทางถูกและทางผิดทุกขสมุทัยจริงในทางผิด มักกับนิโลธจริงในทางถูกนักเป็นของควรเจริญให้เกิดให้มีนิโรธเป็นของทําให้แกล้งจริงอยู่อย่างนั้นทุกข์กับสมุทัยเป็นของจริงควรเว้นนั่นคําว่าของจริงไม่ใช่อยู่เสมอเดียวกันของจริงในทางควรเว้นก็มีของจริงในทางควรประพฤติก็มีของจริงในทำทุกควรให้แก้งก็มีทัศนานุตธรยะจริงให้เห็นเยี่ยมปฏิปทานุตปธรรมจริงให้ปฏิบัติเยี่ยม มิมุตานุตริยจริงให้ประพ้นเยี่ยมนั่นพูดน้อยไหมพออธิบายผู้หลายหาว่ากล่าวตัววุตริอุตริยังไงพระบรมศาสตราสอนมาอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คําสอนของเราไม่ใช่มันเป็นคําสอนของพระบรมศาสตราจะหาว่าเราไปลักเอาคําสอนพระพุทธศ า, าสตาพระศาสดาก็ไม่ได้ก็เพราะเรากล่าวว่าพระบรมศาสตาเ ท, าทศมดแล้วอันไหนที่พระบรมศาสดาไม่ได้เทศไม่มีเราก็ไมาได้รัก อย่ามาหาว่าเราเป็นปลายเชิกรักเอาของพอระบรมศาสลาเราก็ไม่ยอมแล้วก็ให้ให้ใส่ชื่อรือนามาของพอระบรมศาสลาอยู่พ้าจีวรท่อนสบายเหล่านี้ของพอระบรมศาสลาเขาเห็นแก่หน้าค่าชื่อเขาเอามาให้ไม่ใช่ของเรามาจากที่ไหนเลยมาบุญคุณโทษพ่ารบรมศาสลาบัญญัติหมดแล้วถ้าเราทําบุญก็ไปถูกบุญถ้าเราทำบาปก็ไปถูกข้อเว้นพระบรมศาสลาถ้าเราทบาบาปไปถูกข้อเว้นของท่าน ถ้าเราทำ บ, บุญก็จึงไปถูกข้อบุญของท่านที่ทรงบัญญัติไว้นะ่นะสิ่งไหนพวกเรามาศาสนามานด้ทรงบัญญัติไม่มีเลยกินน้ำก็บอกน้ำที่จะใช่ดื่มให้กรองก่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์ได้ดื่มน้ำได้สะอาด น, ะน้ำที่เป็นสันนิธิอย่าพากันไปดื่มเนะ้อเดี๋ยวจะเป็นอาวัตภฟยจิตในะบอกมดถ่ายอุจระก็บอกอย่าเบี่ยงแรงนักนะเว้นไว้จะท้องผูกนะ หนพระบรมศาสนาไม่บอกไม่มีเราจำคำของท่านมาแล้วเอาเป็นคำสอนของตนมันก็ไม่ถูกมากจริงๆถ้าเราเป็นพระหันวันนี้ก็เหลี่ยมกลางของท่านใช่ไหมเพราะท่านเป็นก่อนเราแล้วถ้าเราจะไปตกนรกวันนี้ก็ค่ายๆกับว่าพระบรมศาสราไปโต๊ก่อนแล้วจึงได้มาสอนพวกเราให้เว้น